นี่ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ใน้พระธรรมก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกครั้งที่มีคนให้เกียรติผมได้ไปพูดคุย ในสถานที่ต่างๆสิ่งหนึ่งที่ผมจะแบ่งปันนั้นก็เป็นสิ่งสิ่นเดียวคือเรื่องเกี่ยวกับทุกชีวิตทุกๆคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเป็นเรื่องปัจจุบันที่มีในทุกๆคนไม่ใช่เรื่องวิชาการนะแต่เป็นเรื่องประสบการณ์ก็จะนําเอามา ให้เป็นแง่คิดบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่มองสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ที่ร่างกายถ้าไม่ใช่ร่างกายแล้วก็มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจเรื่องของจิตใจอันนี้เป็นสิ่ที่ใกล้ที่สุดเลยถ้ามีจิตใจแล้วก็ถ้าก็มีชีวิตนะชีวิตไม่ใช่วัดกับที่ร่างกายวัดที่จิต ท, ที่ใจ ก็จจึงใช้คาพูดว่าชีวิตจิตใจต้นตอของชีวิตที่แท้จริงก็ที่จิตใจก็ะจะพูดคุยเรื่องเนี้คุยเรื่องอื่นบาทีเสียเวลาแนละ้วฟังมามากแล้วเรามาฟังเรื่องตัวเราเองบ้างเป็นเรื่องของความสุขในชีวิตนี่แหละความหมายหนึ่งของคาว่าชีวิตเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วความหมายของชีวิตนี่มีมากแต่ผมอยากจะย่อๆเรามาสั้นๆเลยว่า ชีวิตคือความสดใสชีวิตคือความสดใสสดชื่นถ้าไม่มีความสดใสไม่มีความสดชื่นแล้วก็ถ้าก็ับไม่มีชีวิตเหมือนกันนะเอาส่วนเยิบหยาบก่อนเอาสิ่งภายนอกนะต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่มันเหี่ยวแห้งอันนั้นเป็นต้นไม้ตายไม่มีชีวิตแล้วคนเราอะคนเรานี่ส่วนของร่างกายนี่ ถ้าเซลล์ต่างๆมันไม่มีชีวิตมันไม่สดใสนี่เท่ากับมันตายนะความสดใสของร่างกายของแต่ละบุคคลนี่ไม่เหมือนกันเด็กก็สดใสแบบเด็กเด็กส่วนร่างกายผู้ใหญ่ก็สดใสแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ยังมีความสดใสอยู่ในตัวนะในส่วนร่างกายนี่คนพิการก็สดใสแบบคนพิการนะอย่างเงี้ยเหี่ยรีบๆอย่างเงี้ย แต่ในตัวเหี่ยวแห้งเนี่ยมันมีความสดใสอยู่ในตัวนี่ส่วนร่างกายและส่วนจิตใจอะจิตใจที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสเห็นได้ชัดเจนมากและดูคนที่ทำงานใช้ไหมทำงานทาแบบไม่สดใสสดชื่นเนี่ยก็เรียกว่าทางานแบบไม่มีชีวิตชีวาเพราะนั้นความสดใสของจิตใจนั้น เป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขของชีวิตความสุขอยู่ที่ความสดใสอันนี้เราพอจะมองเห็นได้ในด้านรูปธรรมถ้าไม่มีความสดชื่นไม่มีความสดใสถือว่ายังไม่มีความสุขแต่คนสมัยนี้ส่วนมากก็จะแสวงหาความสุขทุกคนแสวงหาความสุขบางคนบอกว่าโอ้มีความสุขแล้วคือมีความสุขอยู่ในตัวแล้วพอแล้วความสุข แต่ถ้าเรายังสแสวงหาความสุขอยู่แล้วก็เท่ากับยังไม่มีนะเหมือนคนทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยก็ไม่อยากทานอะไรอีกแล้วเราสแสวงหาความสุขสรุปลงความสุขที่ถ้าได้สมใจปรารถนาแล้วก็เป็นความสุขถ้าได้ดังใจปรารถนาก็จะได้ความสุขเนี่ยเราเข้าใจกันแบบนั้นที่เราก็สแสวงหาเลยหาสิ่งที่ให้ได้ดังใจปรารถนาอย่างเช่นว่า อยากดูและก็ได้ดูอันนี้คือความสุขอยากฟังและก็ได้ฟังก็มีความสุขถ้าเกิดความอยากเราไม่ได้สมตามแต่อยากเนี่ยเอาละทุก์เกิดขึ้นแหละพ่อบ้านชอบดูฟุตบอลถ้าได้ดูฟุตบอลล้วก็โอ้นี่มีความสุขแม่บ้านชอบดูละครถ้าได้ดูละครเรามีความสุขลูกหลานชอบเล่นเกมได้เกมก็มีความสุขความสุขแบบนี้แลกกันไม่ได้หรอกแต่ละคน ไม่ตำแบบกันพ่อบ้านชอบฟังข่าวแม่บ้านชอบฟังทำลูกชอบฟังเพลงวันทีสลับความสุขกันไม่ได้นะมันไม่อย่กับว่าความสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวตันหาขึ้นก่อนพอเริ่มจากความอยากถ้ไมอยากดูมันมันจะเซ็งมีความคิดแบบนั้นมอันนี้มันหมดอยากแล้วมันมันคงชิดมันคงจะเซ็งมันเริ่มต้นจากความอยาก อยากอะไรก็ได้อยากดูอยากฟังอยากดมอยากกินอยากสะพัดอย่างเริ่มจากความอยากพออยากแล้วก็ได้ทำตามใจที่อยากและก็มีความสุขถ้าทาสำเร็จนะถ้าเกิดความอยากทำตามความอยากไม่ได้มันก็จะไม่สำเร็จมันก็มีความทุกข์มอนยังกับคนที่มีมีโรคขันประจำตัวสมมติว่าโรค ก, กลาก เคลื่อนที่มันคันน่ะเกิดความคันแล้วถ้าได้เกานะโอ้สนุกมากคันแล้วได้เกาเนะี่โอ้สนุกเนี่ยคือความสุขแต่ถ้าคันแล้วไม่ได้เกานี่ยมันลำคาญหรือเกาไม่ได้เนี่ยำคาญคนทั่วไปจึงสแสวงหาความสุขแบบเนี้ยสุขเกิดจากได้เกาที่คันแล้วก็วนเวียนอยู่แบบเนี้ไม่เคยจะเอาชนะความอยากแบบนี้เลย เราจรึงไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพราะยังก็เช่นเดียวกันนะสมัยที่ก่อนจะมีร่างกายพิการเนี่ยผมก็แสวงหาความสุขแบบเนี้ยดูหนังฟังเพลงทานอาหารที่อร่อยทํางานเพื่อจะได้เงินเอาเงินมาซื้อความสุขความสุขมันต้องการมากเหลือเกินแต่เงินมันมีนิดเดียวตอบสนองความสุขได้บางทีก็สมใจปรารถนาเหมือนกัน บางทีก็ปิดหวังแต่ก็เหนื่อยมากสแสวงหาความสุขแบบเหนื่อยมากแต่พอร่างกายพิการมันก็มีความทุกข์แล้วแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะหาความสุขในสิ่งที่เราเคยหามาก่อนก็ยังสแสวงหาความสุขเหมือนเดิมแต่ว่าผลออกมานี่มันไม่สนุกเหมือนเดิมนะเพลงที่เคยชอบฟังก่อนพิการนะโอ้ฟังเพลงเพราะมากมีรสชาติ แต่พอพิการแล้วฟังเพลงเก่าไม่เพาะซะแล้วอาหารที่อร่อยอร่อยที่ชอบทานคุณพ่อคุณแม่ยาดีน้องโอ้โ่ผมเคยชอบอ า, ารแบบนี้นะจอบปลาดุกย่างน้ำปลาพริกบีบมะนาวแล้วก็ข้าวร้อนโอ้โหทานมีรสชาติมากแต่พอร่างกายพิการแล้วเขาก็หาแบบนี้ให้มือนกันปลาดุกย่างแล้วหนังมาเนี่ยโอ้โหมัน ข้าวล้อๆน้ำบีบมะนาวพริกเผ็ดหน่อยๆแล้วก็มีผักปุ้งทานไม่อร่อยเลยนะทานไม่อร่อยเลยบางท่านอาจจะพริกแพงนะปลาดุกอาจจะเบื่อก็ได้อเปลี่ยนเป็นปลาทูบ้างมันก็ยังเหมือนเดิมนะมันหมดสนุกไปแล้วเคยชอบเล่นกีฬาเคยชอบดูกีฬาแต่พอมาดูกีฬาเนี่ยไม่มีความสุขเลยสิ่งเราเหมือนเดิม แต่ตอบสนองสิ่งเราไม่เหมือนเดิมบางทีมันทุกข์มากกว่าเดิมอีกมันคิดเกิดการเปรียบเทียบทำท่าจะสุขสักหน่อยเนี่ยมันเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันมันคุณนเครื่องอยู่ในใ จ, ใจิตใจมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมจึงรู้ว่าที่เราไม่มีความสุขเพราะว่าเรามีความกังวลเรามีความพิกกังวลต่างๆนาน า, นาทั้งงนี่กาลังเสพความสุขอยู่ขนาดนั้น ถ้าจิตมีความวิตกกังวลแล้วก็มันสุขได้ไม่เต็มร้อยมันเริ่มเห็นความทุกข์ความกังวลที่มันก่อตัวในจิตใจขณะเสพสุขดูหนังลักๆักคล้ายๆเออเมื่อก่อนก็สนุกแต่พอดูแล้วมันบาดหัวใจมันบาดหัวใจดูเขาเตะฟุตบอลมันก็บาดใจเราเราเตะไม่ได้บางทีมันหวงแหนบางทีมันสุขอยากจะมีไว้นาน ไม่อยากให้ความสุขนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่อยากถูกแย่งริงในความสุขนี้มันสุขไม่ได้เพราะว่ามันมีความทุกข์เน็บอยู่ข้างในก็นเลยมาคุ้นคิดว่าชีวิตเรานี่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะสมัยที่พิการนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราคงจ ะ, สะแสวงหาความสุขไม่ได้อีกแล้วเราคงจะหมดโอกาสที่จะมีความสุขอีกต่อไปแล้วความคิดมันเป็นลบตลอดเลย แต่ก็คิดหาวิธีการนะจะทำอย่างไรที่เราจะพ้นออกสภาพจากทุกข์แบบนี้พ้นออกไปได้ถ้าพ้นจากสภาพทุกข์นี้ไม่ได้เนี่ยเราจะมีความสุขไม่ได้เลยความคิดมันเปลี่ยนละเปลี่ยนจากการสแสวงหาความสุขมาเป็นจัดการกับความทุกข์ในตัวเรามันเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแบบนี้ได้ผลนะได้ผลดีมากแบบนึกไม่ถึงเลย เราไม่แสวงหาความสุขแต่เรามุ่งแก้ไขหรือภาษาชัดเจนว่าขจัดความทุกข์ที่มีในตัวเราเราอาจจะเป็นทุกข์เพราะเราเดินไม่ได้คิดแบบนั้นคือมุ่งแต่ร่างกายอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงจิตใจจะแก้ปัญหาแต่ร่างกายเรามีความมหิดว่าความสุขหรือความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ร่างกาย ไม่ได้เคยมองที่จิตใจเลยเพราะไม่เข้าใจเรื่องจิตใจก็มุ่งแต่แก้ปัญหาต้นนั้นร่างกายซึ่งคุณหมอบอกว่ามันหมดโอกาสแล้วร่างกายต้องพิการตลอดชีวิตมันหมดโอกาสแล้วมันจะเดินไม่ได้หรอกแต่เราก็พยายามจะแก้ไขเพราะเราฝากความสุขไ้ที่ร่างกายเนื้อหนังของเราจนกระทั่งลองมาสนใจเรื่องจิตใจดูบ้างเห็นว่าร่างกายมันหมดทางแล้วล่ะ รักษาแพทย์ทางเลือกรักษาแพทย์แผนปัจจุบันทุกแพทย์ไม่สามารถจะช่วยกายเราได้แล้วก็เลยลองมาช่วยจิตใจดูสิไม่เข้าใจเรื่องจิตใจแต่ที่เริ่มเข้าใจเพราะว่าศึกษาธรรมะเนี่ยนะเริ่มสนใจธรรมะอ่านหนังสือฟังธรรมเป็นการกล่อมกล่าวจิตใจในช่วงที่เรามาสนใจกับธรรมะเนี่ยเราลืมกายไปชั่วขณะหนึ่ง ลืมร่างกายลืมความพิการไปชั่วขนะหนึ่งหันมาสนใจธรรมทนานจิตใจจนกระทั่งธรรมะท่านบอกไว้เป็นเหตุเป็นผลว่าทุกเนี่ยมันมีทางแก้ไขเมื่อมีทุกเนี่ยมันมีทางออกเช่นตัวอย่างว่ามีเกิดย่อมมีความไม่เกิดแก้กันมีความแก่ก็ย่อมมีความไม่แก่แก้กันมีความเจ็บมีความตาย ย่อมมีความไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกันนะเอ้ยมันก็แปลกแล้วก็มีทุกขมันย่อมไม่ทุกมีได้เหมือนกันสนใจคํานี้มากแต่ว่าไม่รู้มันจะแก้กันได้ยังไงนะเราก็ยังนึกว่าเอ้นมันมีเดินไม่ได้มันต้องมีเดินได้เหมือนกันยก็คิดเลื่อยเปลื่อยไปแต่ต้องปฏิบัติเนี่ยประพันธ์เดชต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์มันจะมีขึ้นในเนื้อในตัวเราตั้งแต่รับน้นมาเนี่ยพอสอบก็สาบแป เริ่มปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่วิธีนะทำไมใช่วิธีการปฏิบัติตัวเองเราคงจะหาความสุขไม่ได้คงจะพ้นทุกข์ไม่ได้แน่นอนการกระทําของเราเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเสียไม่ได้หรือเพื่อศรัทธาอย่างเดียวนะเราทําเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าทําด้วยความพอใจด้วยความเต็มใจตอนนั้นเข้าใจว่า งานอะไรก็ตามถ้าทำด้วยความเต็มใจมีใจแล้วก็ทำแล้วเนี่ยมันได้ผลแล้วมันมีความสุขอยู่ในตัวมันเห็นคุณค่าของการกระทำเห็นประโยชน์คือดับทุกข์ได้เห็นคุณค่าคืออะไรคือเป็นสิ่งที่สูงการพัฒนาจิตใจสิ่งที่สูงมากแล้วก็มองตัวอย่างมองค ร, าารูครบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมมากเนี่ยอคนที่กราบไหว้บูชาใบหน้าผ่องใส เป็นปูชนียบุคคลหน้าเขารบเลื่อมใสเราอยากเป็นอย่างนั้นมากเห็นตัวอย่างที่ดีก็อยากดีอย่างท่านเห็นวิธีการปฏิบัติที่ดีก็อยากทำดีแบบของการปฏิบัติเนี่ยทำได้แบบมีใจเลยมันก็มีกําลังใจทำมีกําลังใจมีความเพียรมีความอดทนจิตใจจดจอ่อเอาใจใส่เป็นพิเศษปฏิบัติธรรมที่ผมทานี้ก็ไม่ใช่ ไปที่วัดหรือไปแต่งชุดขาวๆหรือไปทาพิธีที่ไหนหรอกอยู่ที่บ้านก็ทำอย่างเดียวผมทำอย่างเดียวนะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำความรู้สึกตัวทำอย่างเดียวทำความรู้สึกตัวอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเครื่องมือปฏิบัติธรรมนี่มีอย่างเดียวคือรู้สึกตัวนั่นแหะใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวตั้งแต่เช้าก็ทั้งหลับไป ลืนตาถึงมาก็รู้สึกตัวอยู่กับเนี้อกับตัวจะพลิกตัวไปทางซ้ายก็รู้สึกตัวทางขวาก็รู้สึกตัวแปลงปันก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวมันยืนมันเดินไม่ได้นะถ้ายืนเดินได้เนี่ยก็จะเอาสองอย่างนั้นมารู้สึกตัวเหมือนกันตื่นนอนทานข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าขับถ่ายอยู่บนเตียง เอาเตียงเน่เป็นวัดเอาเตียงเป็นวัดเอาจิตใจเนี่ยเป็นผู้บวชเลยใช้ชีวิตต่างกัจจาวิมข้ามแบบรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยทำอยู่างี้แหละก่อนนอนก็รู้สึกตัวแล้วก็หลับไปบางทีเหมือนทาท่าจะตายหลับตาเหมือนคนจะตายแล้วก็หลับไปอย่างมีสติเลยก็ถ้าเราตายไปวันนึงตื่นชาก็มาอ้าวเราเกิดใหม่รู้สึกตัวใหม่ ทำอยู่อย่างนี้แหละบางทีขณะที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็มีความสุขนะเพราะทาในสิ่งที่มันมีคุณค่าสูงส่งเนี่ยมันละความชั่วทําความดีอยู่ในตัวเลยศีลก็มีพร้อมสมาธิก็มีทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีสมาธิสงบอยู่ในจิตใจถ้ามีสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็เจอความสุขแหละมันก็มีความสุขที่ได้ทําความสุขจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันลึกซึ้งมากยาก ผู้ที่ไม่เข้าถึงเพราะว่าเนี่ยจะเข้าใจง่ายแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ไดผมยังสามารถเก็บเก็บความสุขแบบประกินหนากาสุขในแต่ละวันได้เลยนะประกินหนากาสุขของผมนี่ก็คือการช่วยตัวเองสภาพยอย่างผมนี่มันใช้ชีวิตแบบต้องอาศัยผู้อื่นไปช่อเหลื อ, อ ท, ทุกคนต้องมาคอยช่วยเหลือผมที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ย ช่วยหลายอย่างเพราะผมมีความสามารถแค่เคลื่อนไหวได้บริเวณเนี้ยแล้วก็ศีรษะไอ้ส่สล่านี่จะไม่รู้สึกขับถ่ายก็ไม่รู้สึกจะพลิกตัวทางซ้ายทางขวาก็ต้องมีคนช่วยแต่เราพยายามที่จะช่วยตัวเองบางบ้างก็คิดในระหว่างคิดนี้ก็รู้สึกตัวนะอ๋อจิตมันคิดนะแต่บางทีมราต้องใช้ความคิดคิดด้วยสติคิดแก้ปัญหาตัวเอง จะทำยังไงที่ช่วยตัวเองให้ได้มากๆบางทีก็อาจจะเอื้อมมืออย่างเงี้ยนะเอื้อมไปหยิบของสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อจะเอามาใช้ถ้ามีคนคอยช่วยเหลือก็จะช่วยเราแต่เวลาไม่มีใครช่วยเราเราก็พยายามจะช่วยตัวเองเพื่อมือไปหยิบแก้วน้ามามืออย่างเงี้ยมันจับอะไรไม่ได้หรอกแต่จะลองจับดูแต่พอจับได้เนี่หยิบน้ามาดื่มได้เนี่โอ้ มันมีความสุขมากอันนี้ ป, ปกินอากาศสุขคนอื่นบอมลุธธรรมดานะแต่เราเนี่โอ้มีความบิงใหญ่สลับรอมากมันมีความสุขทำสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยแล้วมันทำได้ขึ้นมามันมีความสุขหยิบน้ำมาดืม่มของเล็กๆเนี่ยพยายามจับอย่างรู้สึกตัวนะแล้วมันเห็นจิตใจเราใจเรามีความสุขโอ้นี่ความสุขนี่หาได้ง่าย รอบตัวเราเนี่ยหยิบน้ามาดื่มเนี่ยก็มีความสุขแล้วเพระนี่ปนกิจนนาการสุขท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าคนที่ทําไม่ได้แล้วมันทําได้ขึ้นมาเนี่ย น, นี่คือความสุขความแจ่มใสมันเกิดขึ้นการพลิกตัวทางซ้ายทางขวาเคยต้องอาศัยญาติมาพลิกตัวให้แต่เราสามารถทําเองได้พยายามฝึกพอทําได้มันก็มีความสุข บางอย่างทำยากมากเช่นว่าเราต้องการจะเคลื่อนตัวเองเพื่อจะไปทำอะไรข้างนอกเตียงแต่มันคงทำไม่ได้หรอกแต่มันน่าลองเวลามีคนมาดูแลแ ล, แล้วก็ไม่ทำนอนเฉยเวลาเข้ามาอยู่เนี่ยโอยตอนที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากเลยทำในสิ่งที่เราคิดว่าทำไม่ได้ลองทำดูคลานไปเปิดพัดลมก็มีนะโอ้ขาไปเนี่ย หมายปายแบบมัน่นใจว่าไปาได้แน่คลานไปสักสามเมตรไปเปิดพัดลมเปิดพัดลมปั๊บโอ้เย็นสบายขากลับมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมันต้องรอสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเลื้อยกลับมาคลานกลับมาและเนี่ยมันมีความสุขมากที่ว่าถ้าเราเจออุปสรรคบางอย่างเราจะเริ่มทออแท้นะแต่ลองฝืนสักหน่อยฝืน เพราะเห็นว่าอันนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าพอทําได้เนี่ยมันจะมีความภูมิอกภูมิใจมากความภูมิใจนี้ไม่ต้องบอกว่ามีสุขหรือไม่ไม่ต้่งมีความทุกข์และภูมิใจเราทําได้แล้วมันมีความภูมิใจและมีความเสร็จแล้วมีปัญหาใหญ่ก็คือพอเราทําได้แล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้หลายๆอย่างเกิดความรู้จากสิ่งที่เราทํา นี่กระบวกนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวทั้งนั้นเลยเมื่อเราอยู่อย่างมีสติสติทำให้เราระลึกได้รู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นรักษาจิตใจไม่ให้เลื่อนลอยเป็นอารมณ์ต่างๆความรู้สึกตัวทำให้จิตไม่เลื่อนลอยนะให้อยู่กับเนื้อกับตัวและมันก็มีปัจจุบันกับตัวเองชีวิตเลยมีปัจจุบัน กอนปฏิบัติทำก่อนเจริตสติก่อนจะรู้สึกตัวเนี่ยใจก็ไปวิวตกกังวลถึงอนาคตว่าเราจะอยู่อย่างไรไปถึงอนาคตอดีตเรานี่มันมันน่าเสียดายมันก็คิดย้อนอดีตชีวิตเราไม่เคยอยู่ตรงกลางคือปัจจุบันเลยอดีตอนาคตเนี่ยมันจะหาความสุขได้อย่างไรแต่พอเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความสุขความเหงาไม่มีมันเคยเหงาเคยเบื่อเคยแต่งรูปมันหายไปไหน เราไม่ได้ไล่ไปไหนนะแต่พร้อมีความรู้สึกตัวในสิ่งนั้นก็หายไปเลยไม่มีความเหงามันเพลินเพลินกับความทุกข์เพลินกับความสนุกที่เราทานี่คำว่าเพลินนี้ไม่ต้องบอกหรอกเพลินนี่ก็คือความสุขมันเพลินกับการใช้ชีวิตจิตมันก็เลยเป็นปกติเพราะว่าอย่างเนี้ความคิดอดีตอนาคตเรื่องความรักเรื่องความโกรธ เรื่องความฟุ้งซ่านการนอนไม่หลับมันหายไปเลยนะเราไม่ได้ขับไล่เขานะเราไม่รังเกียจเขาแต่เรามาทำเรื่องของเราคือมารู้สึกตัวความสุขมันก็เกิดขึ้นแหละจิตมันเป็นอิสระจากอารมณ์ที่ทำให้เราเคยเป็นทุกข์มาก่อนสุขภาพจิตดีเมื่อสุขภาพจิตดีมองอะไรก็ดีไปหมดการกระทบอารมณ์ก็ดีอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบ มันเปลี่ยนกลับมาเป็นดีได้มันไม่ดีข้างนอกนะแต่มันดีที่ใจเรามันเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลับกลายเป็นดีได้มองอะไรดีอยู่ในสภาพที่วุ่นวายมีคนมาคุยมากมายวุ่นวายแต่ใจมันก็สงบได้สงบลงมาได้เนี่ยเป็นการแสวงหาความสุขจากสภาพที่เป็นทุกข์ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมาก มันง่ายที่จะมีความสุขมันยากที่จะมีความทุกข์มองความทุกข์เป็นสิ่งที่ลาหลังไปแล้วมันเป็นสิ่งที่อะไรล้าสมัยมันหมดสมัยของความทุกข์แล้วเมื่อมีความรู้สึกตัวมันประกาศราหมดสมัยของความทุกข์แล้วเราก็ไม่ได้ไปทําลายความทุกข์หรือปัญหตาต่างเพียงแต่เรามาสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นในตัวเราและมันเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจ เ, าเรื่องของความพิการเรื่องของกาย เข้าใจเรื่องจิตเข้าใจเรื่องอารมณ์เข้าใจแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นกันมันเข้าใจแบบเป็นผู้ที่ดูที่รู้มันเลยไปเห็นจิตที่มันเป็นปกติจึงรู้ว่าอ๋อเพียงแต่เราทำความซสึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยจิตมันก็เป็นปกติมันเดิมอยู่แล้วไอ้ส่วนอารมณ์ที่มันคิดมาปรุงแต่งเนี่ยมันคือส่วนเกินเราไม่ต้องไปกับสิ่งนั้นก็ได้มันอิสระกันไปเลยแยกกันไปเลยว่า เดิมๆ เ, เก่าๆเนี่มันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเพียงแต่เรามีสติรักษาเอาไว้เถิดอารมณ์ที่จอมาเนี่ยคือส่วนเกินเราจะใช้มันก็ได้เราไม่ใช้มันก็ได้เพราะนั้นเพียงแต่เราขจัดความทุกข์ความเศร้าสิ่งที่หมักหมมในจิตใจนั้นออกไปจากใจเราเสียได้ใจเราก็มีความสุขแล้วเป็นสุขแบบสงบเย็นนะเป็นสุขแบบ ปราศจากความกังวลไปสุขที่แท้จริงอุปมาไม่อย่างกับว่าคนพิการเนี่ยมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณหมอบอกต้นระวังให้มากคือแผลกดทับแผลกดทับเนี่ยบางทีมันรักษาหายได้ยากมากแผลกดทับเนี่ยไอ้ส่วนข้างในเนี่ยมันจะมีกัดหนองต้องทําความสะอาดต้องรักษาให้ดีบางทีแผลเนี่ยข้างในยังไม่หายนะ แต่แผลข้างนอกเนี่ยมันปิดข้างนอกหายเรียบร้อยเลยดูเหมือนปกติแต่ข้างในมันยังมีแผลผู้พองอยู่คุณหมอต้องตัดเอาเนื้อข้างนอกออกเพื่อจะรักษาข้างในอันนี้เป็นความสุขที่รักษาข้างในเรียบร้อยแล้วแล้วแผลข้างนอกก็ติดเหมือนเดิมหายทั้งข้างนอกข้างในอันเนี้ยแผลกดทับเรียกว่าแผลเบสซอร์แล้วแผลใจล่ะ แผลใจนี่มันรักษายากกว่าแผลไก่นะฮารซอนรักษายากกว่าเบสต่อนะกินลึกบางทีข้ามวันโกรธข้ามวันรักข้ามวันหลงข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามพบข้ามชาติมันรักษายากความรักบางอย่างเนี่ยบางทีมันเกาะกินลึกมากเลิกกันไปแล้วยังกลับมาคิดอีกความโกรธก็เหมือนกัน มารักษายากแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวสามารถดึงจิตดึงใจให้พ้นจากสภาพเจนนั้นได้ให้จิตเป็นอิสระจากความรักความโกรธความหลงได้นั้นถ้าจะรักษาแผลใจให้มันหายไวแล้วก็ลองใช้ชุดแบบรู้สึกตัวดูดิได้ปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ยพระพุธองค์บอกว่าคนมีสติย่อม ประสบแต่ความสุขเป็นความสุขที่สงบเย็นนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องเก่าเพราะมันหายคันแล้วความคันคือตัณหารักษาโดยการจัดตัณหาไปจิตใจซะมันก็ไม่ต้องเก่าไม่ต้องทำตามตัณหามันก็มีความสุขได้พระรัญญาที่ทำท่านผู้ฟังนักทำใจให้มีความสุข ไม่ต้องไปทำอะไรมากเขาบอกทำใจไม่ต้องทำอะไ ร, ท ำ, ไ ท, ำะไรทำข้างนอกไม่ได้ไม่เป็นไรทใจให้รู้จักที่จะพอใจพอใจสิที่เรามีอยู่พอใจสิที่เราเป็นอยู่พอใจพอใจซะก่อนงานที่เราทำเนี่ยผลงานออกมายังไงพอใจพอใจในผลงานด้วยเราก็ค่อยพัฒนาขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าระงับความโกรธซะบ้างอย่าไปตามความโกรธเสมอไป ให้อภัยมีเมตตาให้อภัยไม่ถือสาหาความไม่ถต่เรื่องนิดเดียวใจเราก็จะมีความสุขเลิกจับตาดูผู้อื่นดูตัวเราให้มากจับตาดูผู้อื่นไม่เจอความสุขแล้วก็มีสติรู้จักยอมรับความจริงและรู้จักปล่อยวางซะใจเราก็จะมีความสุขนักทำใจให้มีความสุขมืออาชีพมือวางดับหนึ่งไม่มีวันตกกระดับ